แก่แก่เสียมันตายตัวที่ว่าตายสมุเรียกว่าตายเนือรยมันแตกออกจากกันจาดนกวนสกายมันมีธาตุที่ดีมีธาตุดินธาตุน้ํธาตุไฟีธาตุลมีมีมีอธาตุะไรที่มองเห็นด้ก็มีมมีสองธาตุมีธาตุน้ากับธาตุดก็ไม่มีบริโภคเลย ไวตัวไฟสุเกคือความรอดคงรอดเป็นนาํารรมลงเป็นนามธรรมโซ่ที่ม้งเห็นตายเลื่อคือหน้าตัวยิงน้องใหญ่ที่ใจของคงรอดมาเยิตัวถือว่าเป bon ็นตัวเป็นต้นเป็นสัว์ทุก่จริงแล้วไม่ใช่โดทุกดนจริงๆเลยรู้ทีงใจจิตเจรูี่ดวงใจเป็นนานมทํา มันมีลูกมันมีรากมันเป็ตัเป็นตัวแต่ตายไม่เป็นเก็บแค่ทีกป่วยไม่เป็นถ้าถ้าถ้าจะว่าสุขมิตจะถูกยงเกี่ยวมันว่าจิตใจมันมันไ็เห็นตนจิงมันจะไม่ายอดของภายนอกเป็นตนมันยังไม่เห็นตนพราพที่จะมาสอนให้ทากันป้บมาตามต้นตน้มลูกมันไม่เห็น้เจอท่จุสร้างมูู้สอนพรเจก ทำจนอากจะทำให้ทานการุษสินตั้งใจเล่นเมตตาภาวนาสะสมบุญกุศลหรือสะสมธรรมสติรับพลังปญาเพื่อจะทำให้ตนกควรไปบรรลุเห็นเพราะผู้ทีเจ้าที่บอกผู้ใดเห็นตนผู้ใดเห็นทำผู้ใดเห็นทำผู้ใดเห็นเราศึกษาพราะเห็นราผทเจ้าทำมาทำไที่นีหมายถึงรูปที่ตัใจของใครองเรา มัมันไมรู es, ้ม ok <Yeah. S 1> ันร erm so ู้ยู่จะ่มันรู้รู้โลกรู้สมมติรู้บรรยากอยู่โลกมันไม่รู้จริงถ้ารู้จริงอ่ะจริก็จะถอนออกจากร่างกายถ้ารู้แล้วการการปฏิบัติมาสร้างะติคือคมนเรื่องรู้ให้มันสูงขึ้นให้มันเต็มมสร้างเมื่อเขาเต็มแล้วจะอยากเป็นอะไรจะได้ไรอะไรจะากมีอะไร ตรนี้ที่ชุดกรคตุกที่ใจบรสุทธิ์นที่เล้ยไม่ให้ทำจิตมาพักผ่อนกันไปที่เลี้ยงจะสามารถเกลี่ยปุ๋ยได้เนี่ยจิตใจที่พวกเรามาทเี่ยไปร่างกายเนี่ยท่านให้มาตรวจดีอาการที่มาเกิดขึ้นทางกายและทาวัจรทางจิตใจนี่ให้ใช้บทที่เลี้งนี่ทั้งหมดเทาที่ว่าเกลี่ก็คือเลงที่ทำให้จิตใจเศร้าหองคุณมว ถ้าจใจมืมอนโคการนี้่ย้ามเสียบื่อนมองดูเรื่องร้องเรื่องทำให้จิตใจว่าุานวันี้ถ้าไ่าสีบเ่เยถว่าหันห ม, มาาหันสงสติให้แลไม่รู้นี่ทำที่ททพอกพูดเจ้ารู้เสถียห็นอว่าเรยเจ้ารู้เสียทุกที่หละ่ะประโยคแรกมันทุกดึง แล้วกงให้เขนี่ช่วงช่วเนีดูต่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนีาช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงี้ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วกนี้ช่วงนี้ช่องนี้ช่วงนี้ช่วงนี่องนี้ช่วงนี้ช่วงน้ช่วนี้ช่วงน่วงน้ชน้ช่วง้วงนั้นี้ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงว้ชวงนี้งนี้ช่วน้วนี่วงนีนีวนี้ก ก้อนทุก้อนเจ็บ <Monsieur> ก mm ้อนปวดก้อนน่องก้อนนั้นเกิดเกิดขึ้นที่กายถ้ากายไม่มีอะไรก็ไม่มีจิตด้วยจด้วยจุด้วยมมีอะไรนยี่พต้องีะที่พจมาสอนให้พวกเราทมาทำใทที่รกายนี้ได้ถ้าที่ร่างกายนีได้จบแล่วเยอะเยอะเยอะจะลทลกก็คือรู้ีดาาทไม่ท มากไม่ใช่เมื่อวานนี้ก็าอากาศิันไม่ดูที่จิตที่ใจคนเราเชื่อว่าอักูชละธรรมอักูชนะธรรมอกูชนะธรรมทุกผู้ศรัที่เคยจะดีทุกปัญญาทุกผู้ศทธาธรรมอักูชนะธรรมมากอกุศรัคือบาปท่านทกนจะกลาสารทสารพูดพนัรรมไม่รักคือสิ่งนี้แหละอกุชลธรรมถ้าไม่รักษาบาปเกิดขึ้ทางกายบาปเกิางวาจา มากระึ่งชนใจตรงนี้นะมาพาให้พวกเราหมูนทาทำสั่วเลยเพราะันทำจะให้ให้รักษาสินห้าของพวเราเป็นเ่าไรสิ้นห้ า, เ, า, า, หาเมื่อสินห้าตัวเ้าักษาไปรักษาไปรักษาไปมันงานเข้า น, านเข้าถ้ามัาเป็นสินที่จริงะ ไม่จะเฉลยเมตตาสงสารผู ales, sick, ้คนในสัตว์เดินศาสนาจะให้ผู้คนในสัตว์เดินมีความสุขาสบายใจัตติช่วยช่วยผู้คนใสัตว์นที่เขาตกตู้เลยด่างใ้าดูจาทุกอย่าสินกับธรรังีือสินกัขึ้นจิตใจธรรกระทึจิตใจอย่างนี้ถ้าติขึ้นจิตใจอ่างนี้อัาขึ้นจิใจอัญญารวมเป็นอยู่ที่เดียวส่วนคนใลกายเขาไม่รู้อะไรหรอกาตุดิ้นดิ้นไม่รู้จากทูกจากทุกน้ำเขไม่รู้จากทูกจากทุกไฟก็ไม่รู้จากทูกกทุก ร้อก็ไม่ด้สนมอะไรม้อร่สิ่งทั้งหลายอย่างมันมารวมอยู่ที่จิตใจเพราน่จิตใจัเื่อยใจี่บเวสุุขกลายนการที่มันหลดเวทนาความสุขสุขแสัญญาความจำได้ยูน่สังารคูแงพความใจใจยนยันคาบจ้งหนูสมุทรเรื่องใจขความูทงกายทางมโนทางรื่นกายทางสืบใจท่าเรียกว่า วิญญาณกุมสัตว์ที่นี่เมื่อมามาสังละมาพามานามมหรือกายมากกายถอนชิพช่ออกกายนัทช้อนกายออกจาใจพุ่งนกาไม่มีสินวชกรรมปจิมาศที่ไหนไหนมันไม่มีเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีวัตถเพราะว่ามันไม่มีเหตุที่จะให้วัตถุเกิดขึ้นมีจะชีนร่วงรวีนร่วจะว่างว่าไม่มีอะไรโดมด มันมีจนไม่ตัวให่น้เข้าใจที่บ nah ูครากรนะน่าคาราบข่าวที่สุดคนนึ่วัน okay? ถ the ้าดิพานุ็ไม่ใช่จะได้ท่าฝากหนีไม่ได้หนึ่งว่าเฉยของบุคลากรไ่้บุริตเฉยของบคลากรเขาทำเชื่อว่าข้าดิานเาไม่ได้ชาวความเบื่อท้าไม่ได้ก็จะเบื่อเบื่อไเบื่อลูกหือรกว่ามันทุกข์เบื่อเมื่อเกิดทุกขึนเนี่ยทำอะไรไม่เยู่ถ้ามันเบื่อหน่มันใช้ความต้องการดีเนี่ย เมื่อใครคนใะไม่คคนคนมาจากที่เดียวอนี้ไม่ช่ไป่ไปกินในท้่ทงฟ้าอากาเลยกินขอใครของเราเลยพนั้นจว่าท่านไปทุกมากทานเจ็บมากๆานปวดมากๆเรีย ก, ก, กว่าโรขยาปรม า, า, า ร, มราบาผู้มโรคภัลาอย่างย่งเนี่ยธรรมดาเนี่ยจะมาทานเข้าไปได้านเหตุแล้วก็ทานทานชัวเวทนาเข้าไปจิตเข้าไปในจิตตัว น, นี้กัคือลุงลูน่ะ เมื่อจิตเขาไปเห็นจิตตัวเองเนี่ยนั่นแะท่านเ้งนสิว่ามีรอดในความแบบทุกข์เพราะว่าทุกข์มันมีอยู่ในจ้ตใจมีรอดมีรอกับมีรอดตเยวกันนั่นแหะเท่านี้มันจะอยากมีมีมันจะอยากมีมันมีใจเข้าไปเกิดมีกันนันไม่ยอมกี่เไปพักนั่น้วยเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติจะไปกัวตายถึงัวก็ไม่ได้ตายไม่แต่ไม่ได้รับจิใจนั่นร่างกายก็แตกต่างหานั่นะตรงนี้หละ มันพะพ a จ l สุดท้ายก็เลยสู้เขาไม่ได้สุดท้า a r ็เลยเอาเขาจีนกับโนนเป็นสนานะจีนสนานะแค่สามีโนสนนสามไกัเลยนี่อาเพูดปรารปรสงค์เป็นเป็นที่พึ่งมันม่เอาเพจะให้มาสอนมาปฏิบัติมาทำตนลูกตนใเป็นที่่ตนนะตนตนที่ททกที่ตน ตอนจะที่สีสีนี่ก็จะตัวนี้ดกันนี่ะเปลี่ยนเปลี่ยนชี้นียอ่ะดดอที่เสียวไม่อยู่ที่เดียวกันอยู่จุดเดียวกันอยู่ที่ดวงจิตดวงใจนี่ถ้ามันน้อมเข้าไปก็ไปทาทําจเองมันว่างลองดูมันจะเป็นยังไงหนึ่งช้มันว่างมันจะสบายกันเพราะฉะนั้นนะถ้าจะให้มัดสอนให้อาาปฏิบัติตาที่ใจให้สงบจิวันนัทสัติวันน้สุขัมสุขอื่นนอกจากความสงบก็จิตใจหรือไม่มีในโลกนัความสุขในโลก ดีใจครับนูบเพาะสันท้จริงอยู่ในดวงจิตในใจของใครของเราอยู่ที่นี่ยำไปสูบไปนะทั้งรลกถ้าออปทั้งโไม่เจอมีทรัพย์สมบัติองเข้าภูเาหรือไมก็ไม่สูเพราะว่าพสูไม่อยู่ที่นั่นอันนั้นทรัพย์สมบัติมีมากมีน้อยเอามาบำรุงบำรุงร่างกายเพื่อยเพื่ออยู่รอดบันบันเท่านั้นดูท่ายเมื่อร่างกายดีแต่รัพย์บัตมีมากมีน้อยหมดลมห้ใจเมื่อไรหมดสิทธัจี จขนไม่หมเลยหมดหมดสิ <es it> <France> so, so, dies, so, ันหาทำไมอาการที่ัหาไม่เคลนมันไม่พอมันหิวกันก็ทอเ้าูเาั้หิวลอยากจำได้จำไม่ได้อยากทพรามันเพราะมันไม่สุขการสมบัติที่มีในโลกพระพุทธเจ้าก็ประสบประการมาเฉยมาก่อนพวกเรา ตอนนี้ท่านเกิดเป็นเจภาพทีละคุณพ่อพรอไม่หมดทังโลกยังไม่พอแล้วท่านไปแย่งเราต้องไปยินดีไปยินจะยกให้เยอนยม่ไม่สุขเพราะฉะนั้นท่านจะย่งกลับคนมามัก้นขามักปฏิบัติยังมาเจอยุคมีไฟในจิตใจต้นเดียรเียรของบีที่สุดตรงนี้ยุดูจิตแลใจของใครรนสิทุกคนขนี้ไม่ได้อยู่หัวรหรือขางเดีรเนี่ยรมี่ดูดข้างข้ะ พาดมังผมยนยัมิทาบสใจไม่เห็นเห็นทำสองอย่าง3าอย่างเห็นทุกดึเห็นดินเกิดดินดึงเห็นรุตคือความแบบทุกนิดสาอย่างทั้งจิตทุกใจจริงนี่แหละตัวกทุกใจไม่พระความเห็นของจิตทุกใจว่านั่งกายกับจิตใจมันจะแยกกันทันทีมิทาใจเป็นผ่านว่าร่างกายเป็นสภาวะอันหนึ่งจิตใจเนสภาวะนึ่งไม่ไม่ไม่เยเดียวกันนี่ถ้าตัิใจ ถึงสิงที่แจริงนี่แรละต้องมีจิจะจริญพะพี่ิท่านพระพระอาคพระโสดานเน่ยก่อนอยู่ถ้าคุณเป็นมนุษกเพิ่งเกิดใหม่เมื่อเกิดใหม่ก็ต้ปฏิบัติเรื่อยเรื่องขั้นไปไปพระไสักการะคาไปสักการะพระอนาคามีผลเนี่ยร่างายกับปิิขากตอนกันเลยเข้ากันไม่ได้ถึงอยู่ด้วยกันเข้ากันไม่ได้มันจะนั่นี่จะขวดอยู่นี่น้ํงหวดก็จะขวดน้ํากืจนัํา เอาเข้ากันไม่เข้าทาไมไม่ใช่ไม่เข้าก็เพราะสีไมนรูมเจมือไม่รูมันเรยไม่เข้าไปยึดหนักสรุปแล้วพวกเรายมองข้ามตนเองอย่ามองข้ามตนเองว่าเราบุญน้อยวัฒนาน้อยมันไม่ใช่วาฒนาคือการกระทำมันไม่มีทาให้มีได้มันมันมีากมันมันมีน้อยทาให้มากได้เวลาปฏิบัติเวลาทาโค้ขึ้นมาอยู้อยเราทคืออะไร ทำคือโชคของเหล่วชมาก่ากที่มันให้ขยับก็ไปดูกำลังก็ไปดูย้อนกไปดูไอตัวฉกตัวทุกข like um ah, ok, ok. ์น well, ู้นนี่ตัวมีตัวไหมไม่มีมันฉกจริงมันอยู่ตรงไหนมันอย่สิ่งใดมันอยู่ที่ขยับ้าไปเมื่อเห็นว่าริงจิงมันว่างมันมีอะไรบ้างว่างมันมันมีมันมีอะไรบวชหนัเป็นแบบมันจะไปหาคนอื่นิมันมีอยู่แล้วแต่มันจะไม่ดีคืออะไรคืจิตใจมันมันจะหลงอยู่ มาปฏิบ e. ัติมาทำจนเห็นชูวิตยาที่สูงสูงเนี่ยย่อมเปนโทกย่อมเป็นโลกสุขสุนีโลกย่อมเปโศกส่ขสุนีโลกสุขสุนีของมีประจำโลกมนุษยสัตว์เพสุขสุนทรสองเมื่อละโศกละทูดได้ไวมสิพ้อมไม่สมองหูมือส่วนนี้ได้หมมรดไม่มีอะไรมีแต่ชีวิตด้วยมีแต่ธรรมด้วยนะเห็นไหมเราเอ่ว่า